แค่มีความสุขในการเรียนยังไม่พอต้องขอให้เรียนแล้วกลายเป็นคนมีความสุขถึงตรงนี้มีข้อที่ขอแทรกเสริมเล็กน้อยในเรื่องที่ส่งเสริมกันเหมือนเป็นคติว่าเรียนให้สนุกมีความสุขในการเรียนนั้นพึงเข้าใจว่าการเรียนอย่างมีความสุขนี้เป็นเรื่องในขั้นของวิธีการเท่านั้นแม้จะสำคัญ ก็ไม่เพียงพอความสุขนั้นเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่อยู่แค่ในขั้นของปฏิบัติการในการศึกษาแต่เป็นเนื้อตัวและเป็นจุดหมายของการศึกษาทีเดียวถ้าเข้าใจความสุขให้ถูกต้องแล้วจะเห็นว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาความสุขเพื่อให้ผู้ศึกษากลายเป็นคนมีความสุขการพัฒนาความสุขที่ตรงตามความหมาย จะเรียกร้องความเพียบพร้อมแห่งการพัฒนาคุณสมบัติทั้งหลายซึ่งมนุษย์ที่สมบูรณ์ควรจะมีขึ้นมาเองเรื่องที่ความสุขเป็นจุดหมายของการศึกษานี้ได้เคยพูดเคยเขียนไว้ที่อื่นแล้วจึงขอใช้วิธีง่ายๆคือจับข้อความที่ได้พูดได้เขียนไว้แล้วมาจัดเรียงต่อกันตามที่พิมพ์ไว้ในหนังสือ 2- สมเล่มได้ความดังนี้ การศึกษาจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะทำให้คนมีความสุขไม่ใช่แค่เรียนอย่างมีความสุขแต่ให้เป็นคนมีความสุขเมื่อเขามีความสุขก็คือสุขเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนก็เรียนอย่างมีความสุขด้วยการศึกษาปัจจุบันทำคนให้มีความสุขหรือทำคนให้เป็นผู้หิวโหยกระหายความสุข การศึกษาที่ผิดพลาดจะทําให้เกิดภาวะที่ตรงข้ามคือทําให้คนไม่มีความสุขแต่การศึกษากลายเป็นเครื่องมือดูดสูบความสุขออกจากคนทําให้เขาหมดความสุขและทําให้เขากลายเป็นคนที่หิวโหยกระหายความสุขการศึกษาที่ผิดพลาดทําให้คนที่เรียนไปเรียนไปก้าวหน้าไปยิงจบชั้นสูงขึ้น ก็ยิ่งหิวโหวยความสุขมากขึ้นขาดแคลนความสุขมากขึ้นจนกระทั่งเขาออกไปพร้อมด้วยความหิวโหวยนี้แล้วโลดแล่นไปในสังคมเพื่อจะสแสวงหาความสุขให้กับตนเองและแย่งชิงความสุขกันแล้วก็ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนแก่ผู้อื่นคนที่ไม่มีความสุขนั้นเมื่อมีความทุกข์หนึ่ง ก็จะระบายความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น 2. ก็จะกอบโกยหาความสุขให้กับตนเองถ้าอย่างนี้ก็จะกลายเป็นการศึกษาชนิดที่เตรียมคนไว้เพื่อว่าเบื้องหน้าเมื่อจบการศึกษาแล้วเขาจะได้ออกไปดิ้นรนทยานแข่งขันแย่งชิงกันหาความสุขกอบโกยความสุขให้แก่ตัวให้มากที่สุด เรื่องนี้จะต้องระวังตรวจสอบกันดูว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราดำเนินการศึกษามาผิดก็เป็นอันว่าเราได้ทำให้การศึกษานี้เป็นเครื่องมืออย่างไรอย่างหนึ่งที่สูบหรือดูดความสุขออกไปจากตัวเด็กหมายความว่าเราได้ทำให้คนเป็นผู้ที่หิวโหยขาดแคลนความสุขเพราะฉะนั้นพอสาเร็จการศึกษาไปใจก็มุ่งแต่ว่าทีนี้แหละ ฉันจะหาโอกาสกอบโกยความสุขให้มากที่สุดถ้าการศึกษาเป็นแบบนี้การศึกษาจะต้องเป็นพิษไม่ใช่การศึกษาที่ถูกต้องการศึกษาที่ถูกต้องจะต้องทำคนให้เป็นสุขหรือเป็นสุขมากขึ้นและเป็นสุขอย่างถูกต้องตั้งแต่บัดนี้และเดี๋ยวนี้เมื่อมองดูโลกมนุษย์ ที่ว่าพัฒนามากแล้วในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าคนทั้งหลายต่างก็วุ่นวายกับการหาความสุขจนแต่ละคนไม่มีเวลาที่จะให้แก่ผู้อื่นพร้อมกันนั้นความสุขก็กลายเป็นเสียงที่เขาขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาไม่มีในปัจจุบันแต่รออยู่ข้างหน้าต้องคอยตามหาด้วยความหวังว่าจะได้ในอนาคตดังปรากฏว่า อาการหิวกระหายความสุขนี้แพร่ระบาดไปทั่วไม่ว่าจะในครอบครัวก็ตามในโรงเรียนก็ตามที่ทำงานก็ตามทั่วสังคมไปหมดสภาพจิตใจที่ขาดคลาความสุขอย่างนี้เป็นการดาาดื่นปรากฏให้เห็นทั่วไปในสังคมทุกวันนี้ดังนั้นจะต้องมาทบทวนและเน้นย้ากันว่าการศึกษาที่แท้คือการทำให้คนมีความสุข แล้วรู้จักวิธีที่จะหาความสุขอย่างถูกต้องการที่มีการศึกษาในความหมายนี้ก็คือคนที่ได้รับการฝึกฝนพัฒนาแล้วให้รู้จักแก้ปัญหาดับทุกข์ทาตนให้เป็นสุขได้หลังจากนั้นก็พัฒนาก้าวขึ้นสู่ความสุขที่ประนีจยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งสามารถเผือแพ่ขยายความสุขแก่ผู้อื่นได้กว้างขวางออกไปด้วย คนมีความทุกขย่อมมีความโน้มเอียงที่จะระบายทุกข์ออกไปแก่ผู้อื่นและแม้แต่จะหาความสุขด้วยการระบายความทุกขเมื่อเขามีทุกขและหาทางระบายทุกของตนออกไปดังเช่นเด็กนักเรียนที่มีปมทุกข์ที่ไปก่อเรื่องร้ายก็ยอมเป็นภัยแก่ผู้อื่นแก่สังคมทำให้เดือดร้อนกันไปทั่วในทางกลับกัน คนที่มีความสุขย่อมมีความโน้มเอียงที่จะแพ่กระจายความสุขไปให้แก่คนอื่นไม่ว่าจะโดยรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามฉะนั้นเราจะต้องทำให้คนมีความสุขเพื่อให้ความสุขแพ่ขยายออกไปในโลกดังที่ได้เป็นจุดหมายด้านสังคมที่ท่านใช้คำว่าอพยาปาชังสุขขังโลกังแปลว่า เข้าถึงโลกที่เป็นสุขไร้การเบียดเบียนมนุษย์จะต้องทําเพื่อจุดหมายนี้คือช่วยกันทําให้โลกมีความสุขยิ่งขึ้นไร้การเบียดเบียนยิ่งขึ้นเกื้อกูลกันมากขึ้นและมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนสืบต่อไป